คือตัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ 5 วันแล้วกลับมาทํา กฐินซึ่งจะมีคนขึ้นไปทอดกันในวัน 27 ตุลาคมนี้ด้วยใครสนใจทําบุญ 8 ฟังดูแล้ว 5 อยู่อาจๆอืมและอานิสงส์ แห่งการที่จะทําให้ปฏิบัติทําได้ง่ายอ่ะนะคะเป็นคู่ที่ง่ายต่อการอ่าเว้นกิจกรรมเอ่อง่ายไม่สงสัยง่ายต่อการ ถูกพันกับใครที่จะต้องเป็นห่วงเป็นใย การเป็นหัวเป็นัยกันเฉยๆอาจจะไม่ได้เดินสมมุติว่าเรามีชีวิตที่โลกนี้มนุษย์ เอ่อคุณเป็นเพื่อนประพฤติพรมจารย์นักศึกษาศีล<ใช> 8 คุณก็ต้องมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเนี่ยเราดูยังไงคือเค้าจะไม่ได้<ใช> เอ่อรู้จักครูบาอาจารย์หรือว่าเอ้ยธรรมะนี้ดีเอาไปให้เขาฟังเราคิดถึงเขา นะอันต้องคอยดูแลเพื่อนจะเริ่มมีปัญหาค่ะเอ่อเราก็ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเนี่ยมันจะไปในแนวทางกำหนัดกำหนัดยินดีมัวเมาลุ่ม เหมือนต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วบางครั้งการมีใครที่ต่อเลยเรื่อง อ่าดิฉันเข้าใจว่ามีคนจํานวนไม่น้อยอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะออกแบบกันว่าในห้วงเวลานั้นต้องแต่งกาย ไปรักษาศีล 8 ของท่านศีล 8 ถูกมั้ยคะถูกต้องศีล 8 ศีล 8 นะคะอย่างเงี้ย คนที่รักษาศีล 8 ได้บางครั้งใช่ๆๆเอ่อคืออนิสงส์เค้าก็ 8 มี กันอยู่แน่นอนอ๋อแน่นอนออก 8 นี่จะต้องซมซมนะไม่ใช่คือเค้าก็ดูเรียบร้อยได้ก็ดูค่ะอืมทีนี้พอ อยู่ในอืมมากๆนะคะเวลาไปวัดทีไรหนิเชงกับเดมาทุกครั้งเลยค่ะนะ 5 นี่ถ้า 5 อยู่ก็<ใช> 5 ได้เนาะก็ก็ทําได้ 5 มัน ทำไมถึงต้องกลับไปนวดหน้าเข้าอะไรอ่ะเอ่อสถานเสริมทำ 8 เนี่ย ก็ต้องดูโสมๆผมหยิกๆไม่หวีไม่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะก็คือๆไปนะ เลยต้องชี้แจงให้เขาทราบว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราเบียดเบียนเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเขาจะมีจิตไม่ดีกับเราเราเป็นผู้แบบทําจิต แต่ถ้าคุณจะปฏิบัติทําคุณจะรักษาศีล 8 เวลาไม่วังเลยทําไมถึงโอ้โหยิ่งกว่าคนที่เดินอยู่นอกวัดอีกอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่มีๆด้วยกําลังแขนเป็นโภคทรัพย์นั้นอ๋อ นี่คือเรื่องที่มักของทรัพย์นะ 2 ไอ้เรื่องการแต่งตัวความสวยงามคนที่เค้ามี อาจจะบอกว่าคนเนี้ยจะถูกตําหนิด้วยโดยที่ว่าเอ้าตัวเองมีเงินเยอะแต่ทําไมมาทําตัวเหมือนคนได้ได้อันนี้ถือว่า คือถ้าเรามีเงินน้อยแล้วคุณจะไปใช้กับของแบรนด์เนมกับรถกันโตโตคุณเค้าก็จะจะมาว่าคุณอีกว่าอ้าวมีทรัพย์น้อยแต่ใช้จ่ายอย่างกับคนกินป๋น อหิงและเหมาะสมกับฐานะอันเจนเนาะสอนไว้ก็คือเหมือนกับว่าอ่าคําสอนของ <นะคะ S 1> ผลเป็นยังไงคะถ้าจะให้ดิฉันใช่ๆจริงๆแล้วเป็นเส้นทางเดียว คุณก็ใช้ชิสเตตามเส้นทางนี้เส้นทางนี้จะไปได้เหมือนกันก็ สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธองค์เลยนะ 2 วันนะคะ เป็นหนทางเดียวกันได้อย่าง